จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่27มกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันพระวันธรรมวัฒสวัสวันฟังธ ร, รรมวันรักษาศีล วันบวชเพราะว่าวันพระนี้เป็นวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเราจึงมีเวลามาวัดเพื่อมาบวชกันบวชในที่นี้ก็หมายถึงให้เราละเว้นจากการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วให้เรามาหาความสุขทางใจกันด้วยการสวดมนต์ไหว้พระด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นการาสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเพราะในอนาคตความสุขที่เราได้จากร่างกายนี้มันจะไม่สามารถทำได้ เพราะร่างกายต่อไปก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องตายไปในที่สุดถ้าเราไม่มีวิธีสร้างความสุขในรูปแบบอื่นเวลาเราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้เราก็จะไม่มีความสุขจะมีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ความทุกข์เพราะอยากจะมีความสุขเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้อีกแล้วเราจึงต้องมาหัสหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือให้เรารักษาศีลแปดตันเพราะศีลแปจะได้ปิดปิดประตูปิดทาง ของการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าเรารักษาศีลห้ามันจะยังไม่ได้ปิดทวารทั้งห้ายังออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้อยู่แต่ถ้าเราต้องการจะยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็ต้องมาถือศีลแปดถือศีลบวชกัน การถือศีลแปดศีลบวชนี้ความจริงจะถือที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมาวัดก็ได้เพราะว่าผู้ที่ถือศีลแปดนั้นอยู่ที่ใจการรักษาศีลนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สถานที่ต่างๆอยู่ที่สถานที่ไหนก็รักษาได้ถ้าเราต้องการที่จะรักษาเพียงแต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งนั้น ก็มีอิทธิพลต่อการรักษาศีลของเราอยู่เหมือนกันถ้าอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมายั่วยวนกวนใจการรักษาศีลแปดก็จะง่ายแต่ถ้าไปอยู่ในที่ที่มีสิ่งยั่วยวนกวนใจต่างๆก็จะรู้สึกว่ารักษายากจึงเป็นธรรมเนียมที่จะมารักษาศีลแปดที่วัดกัน เพราะทีวันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยั่วยวนกวนใจไม่ยุอย่าให้เกิดกิเลสตัณหาความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันแต่ถ้าเรามีที่อยู่ที่สงบที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ได้ถ้าเราไม่ได้มาวัดไม่ได้หรือวัดมีที่เต็มคนจองที่พักเต็มไปหมด เราก็ทำที่ของเราก็ได้ของให้ที่ของเรามันสงบเงียบปราศจากแสงสีเสียงต่างๆที่จะมาคอยยั่วยวนกวนใจให้ออกไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้งกายเราต้องมาฝึกกันเพราะว่าต่อไปเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายได้ ถ้าเราฝึกเรารู้จักวิธีหาความสุขจากการรักษาศีลหาความสุขจากการภาวนาต่อไปเราก็จะมีความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้แล้วแต่เราก็ยังหาความสุขได้จากการรักษาศีลแปดจากการภาวนา และจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายความสุขที่ได้ทางใจนี้เป็นความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายและเป็นความสุขที่ยืนอยู่ยืนยาวนานกว่าความสุขทางร่างกายนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวันพระ วันธรรมสวระขึ้นมาเพื่อให้พุทธบริษัทได้หยุดการทำงานหยุดการหาความสุขทางร่างกายหนึ่งวันแล้วมาเข้าวัดมาหัดหาความสุขทางใจกันหาความสุขทางใจด้วยการรักษาศีลแปดด้วยการภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เพราะว่าการหาความสุขแบบนี้จะเป็นการหาความสุขที่เราจะสามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเราก็ยังหาความสุขได้อยู่ถ้าเราไม่สามารถเข้าวัดมาปฏิบัติมาหาความสุขทางใจในวันพระได้เพราะในสมัยนี้ วันหยุดทำงานของเรามักจะไม่ตรงกับวันพระถ้าวันหยุดของเราเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ให้เราใช้วันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันพระแทนก็ได้เพราะว่าวันพระก็คือวันที่เราจะสะดวกกับการรักษาศีลแปดสะดวกกับการภาวนาถ้าเราต้องไปทำงานเราก็จะรักษาศีลแปดลาบาก เช่นเวลารับประทานอาหารเขาก็จะให้เราหยุดพักตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงรับประทานอาหารกันถ้าถือศีลแปดก็มีกำหนดว่าต้องไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่ถ้าจำเป็นจริงๆอยากจะรักษาศีลแปดข้อนี้ก็เลื่อนไปชั่วโมงหนึ่งก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะเป้าหมายก็คือไม่ให้เรารับประทานอาหารบ่อยจนเกินไป มากจนเกินไปให้เรารับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานชั่วโมงหนึ่งหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็เป็นเวลาที่เราหยุดพักทำงานเราก็ยังถือศีลแปดข้อนี้ได้อยู่ศีลที่ว่าไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพียงแต่เลื่อนเวลาเที่ยงลงมาเป็นเวลา บ่ายโมงซึ่งก็ไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากถ้าเราอยากจะรักษาสิ่งแปดในวันทำงานเราก็อย่าให้เวลาที่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วมาเป็นอุปสรรคมาเป็นข้ออ้างเพราะถ้าเราไม่ปรับให้เข้ากับเหตุการณ์เดี๋ยวเราก็จะถูกกิเลสหลอกให้เรามีข้ออ้างต่างๆ หลอกไม่ให้เรารักษาสิ่งแปลกันหลอกให้เราตจดอยู่กับการหาความสุขทางร่างกายเพียงอย่างเดียวพอถึงวเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขจากทางร่างกายได้เราก็จะเดือดร้อนเราก็จะทุกข์ทรมานใจดังนั้นสิ่งใดที่เราพอจะปรับได้ก็ปรับกันไปให้เข้ากับเหตุการณ์ถ้ามาวันพระไม่ได้ ก็มาวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้วันหยุดถ้าวันหยุดไม่สะดวกจะมาก็รักษาศีลที่บ้านก็ได้ภาวนาที่บ้านกะได้ขอให้เรามีที่ที่สงบที่ไม่มีใครมารบกวนเราเช่นใช้ห้องนอนของเราก็ได้ขังตัวเองไว้อยู่ในห้องนอนไม่ต้องออกมารับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ต้องมาเห็นคนนั้นดูหนังฟังเพลงดูละครดูทีวีเล่นเกมเรื่องร้องรำทำเพลงรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือรับประทานอาหารตอนเย็นตอนค่มตอนดึกถ้าเราไม่ออกมารับรู้เราขังตัวเราเองอยู่ในห้องก็เหมือนกับเรามาอยู่วัดนี่เองดังนั้นเราต้องใช้ปัญญา พิจารณาปรับปรุงสภาพการปฏิบัติของเราให้เข้ากับสภาพที่อยู่ของเราเพราะว่าถ้าเราจะเอาแต่มาวัดเพียงอย่างเดียวบางทีวัดก็ไม่สะดวกเพราะว่าบางทีที่พักก็เต็มก็ยังมาไม่ได้เราก็จะขาดการทำกิจที่สำคัญอันนี้ไป ถ้าขาดบ่อยๆมันก็จะทํายากทําลําบากแต่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องทําแบบไม่ขาดทําแบบทุกวันพระทุกอาทิตย์ทำไปแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปพอถึงวันนั้นมันก็จะอยากจะทําขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่ได้ทําเวลาจะทํานี่แต่ละครั้งนี้มันยากเพราะว่ามันไม่มีความอยากจะทํา เพราะมันติดนิสัยที่ไม่ได้ทํามาดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามทําที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทํากันให้เรามีวันพระอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันวันพระนี้จะตรงกับวันพระของทางวัดหรือไม่ก็ไม่สําคัญขอให้เรามีกิจกรรมที่ทําเหมือนกับวันพระก็แล้วกันเช่นที่นี่วันเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีการ แสดงธรรมมีการรักษาศีลอยู่มีการปฏิบัติธรรมอยู่ดังนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวันขึ้นแรง8คดข้ามสิบห้าขาขอให้เรามีวันว่างอยู่วันหนึ่งวันที่เราไม่ต้องออกไปคุกคลีไปสังคมกับบุคคลต่างๆไม่ต้องไปทำงานทำการเพื่อที่เราจะได้มีเวลามา สร้างความสุขภายในใจกันขั้นต้นก็ต้องรักษาศินแปดสินแปถ้าเรายังรักษาศินแปไม่ได้ก็รักษาศินห้าไปก่อนก็ได้เพราะว่าเราต้องทําจากน้อยไปหามากถ้าจะทําแบบมากๆทีเดียวอาจจะทําไม่ไหวสําหรับผู้ที่ยังรักษาศินห้าในวันปกติไม่ได้ก็ใช้ วันพระนี่เป็นวันรักษาศีลห้าไปก่อนพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วในวันพระต่อไปเราก็เพิ่มขึ้นอีกวันสองวันแล้วต่อไปเราก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้ทุกวันเพราะศีลห้านี้มันไม่ได้ยากเย็งตรงไหนไม่ได้ไปแบกข้าวแบกของไม่ได้ต้องไปทำอะไรเพียงแต่ให้อยู่เฉย ไม่ให้ทำผิดห้าข้อเท่านั้นเองคือไม่ให้ฆ่าไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีไม่ให้พูดปดและไม่ให้เสพสุรายาเมาไม่ได้เป็นการกระทำอะไรเลยเป็นการไม่กระทำซึ่งมันจะง่ายกว่าการที่จะต้องไปทำอะไรต่างๆเพราะเวลาจะทำอะไรก็ต้องใช้เรียวใช้แรงใช้เครื่องม้าเครื่องมือต่างๆถึงจะทำในสิ่ง ต่างๆได้แต่การไม่ทำอะไรนี้มันง่ายจะตายไปนั่งเฉยๆอย่างขนาดนี้ก็ถือว่ามีศีลแล้วมีศี ล, ลกี่ร้อยข้อก็รักษาได้หมดถ้าเรานั่งเฉยๆอย่างนี้ได้อย่างพระภิกษุมี227รีข้อตอนนี้โยมก็รักษาได้เพราะโยมไม่ได้ทำผิดศีลข้อใดของพระเลยแม้แต่ข้อเดียวเพียงแต่ว่ารักษาได้นานเท่าไหร่เท่านั้น ถ้ารักษาได้ไปตลอดยี่บสี่ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นพระแล้วโดยที่ไม่ต้องไปโกนหัวไม่ต้องไปนุ่งห่มผ้าเหลืองไม่ต้องไปอยู่วัดเพราะศีลนี้พระนี้อยู่ที่ใจใจที่ไม่ทําบาปทํากรรมใจที่ตั้งอยู่ในความสงบ น, นี่แหละง่ายจะตายไปการรักษาศีลคือการไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องพูดอะไร เราก็มีศีลแล้วต่อให้มีศีลกี่ร้ อ, อยกี aan, ่พันข้อเร า, าก็รักษาได้หมดเพราะศีลแต่ละข้อนี้จะเป็นข้อห้ามทั้งนั้นห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ห้ามดูนั่นห้ามดูนี่ห้ามฟังนู่นห้ามฟังนี่พอเรานั่งเฉยๆอย่างอยู่ตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยต่อให้มีศีลพันข้อหมื่นข้อเราก็รักษาได้หมด ดังนั้นขอให้เราอย่าไปคิดว่ามันเป็นของยากมันเป็นของง่ายการกระทำอะไรต่างๆนี้ยากกว่าเช่นการจะไปลักทรัพย์นี้มันต้องยากกว่าต้องไปจ้องไปคอยดูว่าคนเจ้าของทรัพย์นอนหลับหรืยอยังอยู่บ้านหรือเปล่าแล้วต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือไปงัดประตูไปงัดหน้าต่างไปงัดกุญแจ กว่าจะได้กว่าจะทำผิดศีลข้อนี้ได้ก็เหนื่อยแสนเหนื่อยการรักษาศีลข้อนี้กลับง่ายกว่าอยู่เฉยเฉยก็หมดเรื่องไม่ต้องไปลักไม่ต้องไปขโมยนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะทำกันเพราะถ้าเรารักษาศีลได้แล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่ตามมาโทษต่างๆก็จะไม่ตามมาโทษมีเพราะมีการกระทา ผิดสิงเช่นเราไปลักทรัพย์เราก็จะต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ต้องมีความวิตกกังวลวุ่นวายหวาดกลัวเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทั้งที่เขาไม่ได้มาจะมาจับเราแต่พอเห็นเท่าเท่านั้นใจก็วูบลงไปแล้วคิดว่าโดนแล้วเขาจะมาจับเราแล้วแต่ที่ไหนได้เขาจะเอาของมาให้ แต่เรากลับไปกลัวเขาาะเราไปทำบาปแล้วเราไปทำผิดแล้วเป็นมีแผลอยู่ในใจแล้วเป็นเหมือนวัวที่มีแผลมีสันหลังหวอะเวลามีอะไรมาเกาะมาตอมก็เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาถ้าเราไม่ทำบาปใจของเราก็เย็นใจของเราก็จะสบายแล้วเราก็จะเป็นคนมีหน้ามีตามีคนนับหน้าถือตา yes. สาเหตุที่ญาติโยมกราบพระกันไหว้พระกันก็เพราะว่าถ้าท่านมีศีลมากกว่าเราเราจึงกราบพระกันถึงแม้พ่อแม่ส่งลูกมาบวชพอลูกบวชแล้วพ่อแม่ยังกราบลูกเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกมีศีลแล้วคนมีศีลเป็นคนที่เคารพเป็นที่น่าเคารพนับถือคนไม่มีศีลเป็นคนน่ารังเกียจ ถ้าเราอยากจะให้คนเขารักเราชื่นชมยินดีชอบเราเราต้องรักษาศีลพอเรามีศีลแล้วคนก็จะรักเราความสวยงามของคนนี้ไม่ได้สวยที่ร่างกายสวยที่จิตใจสวยที่การมีศีลเพราะว่าคนมีศีล น, นี้จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจะมี คนที่ไม่มีศีลเท่านั้นที่จะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้แก่ผู้อื่นคนรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนก็ตามรูปรอขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีใครเขารักไม่มีใครเขาชอบพอเขารู้ว่าเป็นคนโกหกคนชอบขโมยชอบแย่งผัวแย่งเมียของคนอื่นก็จะไม่มีใครเขาอยากจะเข้าใกล้ ต่อให้รูปร่างหน้าตาสวยงามหล่อเหลาขนาดไหนเป็นด า, า, าราภาพยนตร์เป็นนางงามนางแบบเป็นนายแบบหรือเป็นอะไรก็ตามอันนี้ไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงเป็นความสวยสวยปลอมความสวยจริงนี้ต้องสวยที่ใจสวยด้วยศีนผู้ที่มีศีนนี้จะเป็นที่รับที่ชอบของคนทั้งหลาย และความหอมของศีลนี้มีกำลังมากกว่าความหอมของดอกไม้ความหอมของดอกไม้นี่จะไหลไปทิศทางของลมเพียงด้านเดียวแต่ความหอมของศีลนี้จะไหลไปทุกทิศทุกทางไปอยู่ที่ไหนใครได้ยินได้ฟังได้ก็อยากจะเข้าหาอยากจะคบค้าสมาคมด้วย เวลาเราหาคนมาทำงานเราจะหาคนแบบไหนดีหาคนที่มีศีลหรือหาคนที่ไม่มีศีลเวลาเราเอาจ้างใครมาอยู่บ้านเรามาทำงานในบ้านเรามาเป็นคนรับใช้มาคนช่วยทำงานในบ้านเราจะเอาคนที่ชอบขโมยหรือเอาคนที่ไม่ขโมยเอาคนที่ข่าหรือเอาคนที่ไม่ข่าเอาคนที่โกหกหรือเอาคนที่ไม่โก นี่แหละเราจะเห็นคุณค่าเมื่อเมื่อเรามาเปรียบเทียบในเวลาที่เราต้องการอะไรเราต้องการคนมีศีเนื้อคนไม่มีสีเวลาเราจะมีแฟนเราอยากจะมีแฟนที่มีศีหรือไม่มีศีรูปร่างหน้าตาไม่สําคัญหน้าตาสวยงามแต่ไม่มีศีพออยู่ด้วยกันไปไม่นานก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่หน้าตาไม่สวยแต่ใจงามนี่ อยู่กันไปได้ตลอดเพราะศีลนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันจืดจางอยู่อยู่กันยังไงดูกันยังไงก็มีแต่ความชื่นชมยิน ด, ดีมีแต่ความสุขดังนั้นถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็ขอให้เรามาหารักษาศีลห้าในวันพระก่อนแล้วพอเรารักษาศีลห้าในวันพระได้แล้ว ต่อไปวันพระเราก็เพิ่มเป็นสินแปดถ้าเราถือสินแปดเราก็ต้องหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นสินข้อสารก็ต้องถืออรรมจริยาเวรมณีแปลว่าจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือผู้อื่นอีกต่อไป แล้วก็จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือจะรับประทานอาหารเพื่ออยู่ไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อความอยากกินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินก็จะรักษาสิ้นแปดไม่ได้เพราะอยากจะกินตลอดเวลากินเช้ากลางวันเย็นกินก่อนนอนกินระหว่างมือ้อเพราะคิดว่ากินแล้วจะมีความสุข แต่มันก็เป็นความสุขเดียเด๋ยววพอกินเสร็จความสุขก็หายไปความอยากกินก็โผล่ขึ้นมาก็เลยต้องกินอยู่เรื่อยๆกินไปมากๆก็ทำให้ร่างกายเดือดร้อนร่างกายที่สวยงามก็ต้องกลายเป็นตุ่นเป็นอะไรไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาต่อไปโรคไขมันอุดตนันโรคความดันสูงโรคหัวใจ โรคอะไรต่างๆเข่าเคืก็จะเดินลําบากโรคข่าเจ็บเพราะน้ําหนักมากร่างกายเข่ารับน้ําหนักของร่างกายไม่ไหวเขาก็เสียเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้จะลุกจะนั่งจะเดินจะนอนก็ลําบากเพราะกินเพื่ออยู่เพราะอยู่เพื่อกินถ้ากินเพื่ออยู่แล้วจะไม่เป็นปัญหากินพออยู่ได้ เช่นกินวันละมือก็อยู่ได้แล้วถ้าจะกินเพื่ออยู่ไม่ต้องกินอะไรมากมายกินทีเดียวให้มันเต็มท้องไปเลยให้มันพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วก็จะได้หมดปัญหาไปจะได้เอาเวลาที่มาเสียกับการกินนี้กับการเตรียมหาอาหารมาเกต น, นี้มาภาวนากันถ้าเราไม่ตัดกิจกรรมทางร่างกายออกไป เราจะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมกันไม่มีเวลามาภาวนากันเพราะจะต้องหมดเวลาไปกับการกินกินเสร็จเดี๋ยวก็ต้องไปหลับนอนกับแฟนต่อหรือไปดูหนังฟังเพลงต่อไปร้องรำทำเพลงหรือออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเวลาจะออกไปเที่ยวก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยเสริมหน้าทาปากเสริมอะไรต่างๆ เสียเวลาเสียเงินเสียทองไปโดยใช่เหตุเพื่อความสุขเพียงเดี๋ยวเดียววันพระเราจะหยุดการกระทําเหล่านี้ศินห้าก็ห้ามไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วสินหศสินเจ็ดก็จะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางบัตรเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร้องําทําเพลงไม่ดูภาพยนตร์ดูละครดูลิเก ไม่ออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่เสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอภรร์วิจิตรพิสดารใช้น้ำมันน้ำหอมใช้เครื่องสาอางอะไรต่างๆให้แต่งตัวแบบเรียบง่ายอาบน้ำอับท่าให้ร่างกายสะอาดก็พอห ว, ว, วีผมให้เรียบร้อยก็พอแล้วกับความงามของร่างกายมันไม่สามารถที่จะงามไปมากไปกว่านี้ได้ มาเสริมความงามด้วยการรักษาศีลดีกว่าแล้วศีนข้อ8ก็จะห้ามไม่ให้เราหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปการหลับนอนนี่ก็เป็นการหาความสุขผ่านทางร่างกายเหมือนกันถ้าอยากจะนอนไม่มากนอนพอต่อความต้องการก็อย่าไปนอนบนฟูกหนาๆนะอย่าไปนอนบนเตียงใหญ่ๆเพราะนอนบนฟูกหนาๆนะมันจะนอนนาน ร่างกายได้พักแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแต่ใจยังไม่อยากลุกใจมันก็จะนอนต่อเสียเวลาไปอีกหลายชั่วโมงถ้านอนบนพื้นแข็งๆเช่นพื้นไม้ปูเสือ่อปูผ้าพอร่างกายได้พักผ่อนสีห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อจะได้มีเวลาลุกขึ้นมานั่งสมาธิไหว้พระ ส, สวดมนต์ฟังเทศฟังธรรม สร้างความสุขให้เกิดขึ้นมาภายในใจนี่คือสาเหตุที่เราต้องมาถือศีลบวชกันถือศีลแปดกั น, น, กนเพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่เราจะได้มาสร้างความสุขภายในใจกันความสุขภายในใจนี้ก็เกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบวิธีนั่งสมาธิก็มีหลายรูปแบบการสวดมนต์นี้ก็เป็นการนั่งสมาธิ ในรูปแบบหนึ่งการนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นการนั่งสมาธิอีกแบบหนึ่งการนั่งหลับตาแล้วดูท้องดูอกยุบหนอพองหนออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนื้อดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้เฉยๆอย่าไปตามลมเข้าตามลมออก อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวให้รู้อยู่กับพุทธโธเพียงอย่างเดียวให้รู้อยู่กับยุบหนอพองหนอเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดอะไรแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะมีความสุขยิ่งกว่าได้ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆ เพราะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายถ้าเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วต่อไปเราจะเบื่อกับความสุขที่เราต้องใช้ร่างกายเพราะมันยุ่งยากเรื่องมากกว่าจะได้ความสุขผ่านทางร่างกายแต่ละครั้งนี้ต้องเสียเวลาต้องใช้เงินใช้ทองต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงถึงจะสามารถ ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่การหาความสุขทางใจนี่งา่ายมากอยู่บ้าน เ, าเสื้อผ้าไม่ไม่ต้องไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้าธรรมดาใส่ชุดนอนก็ได้ใส่ชุดนอนก็นั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองร่างกายไม่สบายก็นั่งได้ ถ้านั่งไม่ได้ก็นอนทําไปก็ได้นี่คือความสุขการหาความสุขที่ง่ายกว่าที่สบายกว่าแต่พวกเราไม่รู้จักกันเราเคยหาแต่ความสุขที่ยุ่งยากวุ่นวายเรื่องมากแล้วก็ได้เดี๋ยวๆแล้วก็หายไปสู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้จะอยู่กับเราไปต้นเรื่อยๆ ถ้าเราทําอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่หายจากเราไปแล้วเราก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมากจนเกินไปแทนที่จะทํางานอาทิตย์ละหวันอาจจะเปลี่ยนมาทำอาทิตย์ละวันสองวันก็พอเพราะเราไม่ต้องใช้เงินนั่นเองใช้เงินเพียงแต่เสื้ออาหารซื้อซื้ออะไรเพื่อดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นไม่จําเป็นต้องไป มีเงินเพื่อที่จะไปออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ทำงานอย่างสบายทำงานอิสระไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้เป็นคนขายประกันก็ได้ขายเครื่องสมอางก็ได้ขายพอได้เงินเดือนพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พักได้ไม่ต้องทามากวันไหนพักก็วันนั้นก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบถือศีลแปะไป หาความสุขทางใจดีกว่านี่แหละคือวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันเพื่อพวกเราจะได้อยู่อย่างโล่มเย็นเป็นสุขจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการเจเสื่อมของร่างกายไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เราต้องอาศัยเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราเพราะถ้าเรามีความสุขทางใจแล้ว เราไม่ต้องพึ่งอะไรอีกต่อไปจึงขอให้พวกเราพยายามมีวันพาคกันอย่างน้อยอาทิตย์ก็ละหนึ่งครั้งมาถือศีลบวชกันมาบวชกันมาภาวนากันมาละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วมาหาความสุขทางใจกันแล้วชีวิตของพวกเรานี้จะมีแต่ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์จะน้อยลงไปเรื่อยๆ และจะหมดไปไงที่สุดได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัาเพื่อมาบวชเพื่อมาสร้างความสุขทางใจนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิณิพิจน า, าและปฏิบัติเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภาษีลัตนไใร